ก็อย่างนี้เขามีในเรื่องหนึ่งบอกว่าหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีเครียดจัดก็เลยประสงค์จะผูกคอตายก็เลยทำไงดีก็สอดสอดคอเข้าไปในบ่วงเชือกนะเตรียมแขวนคอตายบุรุษคนหนึ่งก็รับมีดอยู่เห็นหญิงคนนั้นประสงค์จะตัดเชือกวิ่งไปปลอบหญิงนั้นว่าอย่ากลัวอย่ากลัวเชือกก็ดูกลายเป็นอสารพิษรัดคอหญิงนั้นอยู่ก็คือทําให้ผู้ชายคน้เฮ้ยนี่มันงูเนี่ยทําให้ไม่กล้าไปช่วยเหลือนะ มันจะมีอะไรเหมือนกับว่ามาหลอกมาหลอนให้ช่วยไม่ได้เพราะนั้นบุรุษคนนั้นหนีไปผู้หญิงก็เลยตายเลยเนี่ยนะใครียว่าไม่น่าตายก็ตายมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะพันถ้าสํานวนว่าถ้ากรรมมันจะให้ผลเนี่ยมันพร้อมที่จะตายวางกันเถอะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะเหมือนเราเข้าไปห้องน้ํำนะหลายคนพอเข้าไปห้องน้ําเนี่ยมันไม่น่าเลยก็ไปเลื่อนแผลก็คือว่าแทบจะจบสิ้นแล้วเนี่ยนะเพันทุกแห่งพร้อมที่จะตาย บางทีอะไรนะเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมาปิดจมูกแล้วหายใจไม่ออกตายอย่างเงี้ยนะมันไ ม, ไม่ใช่เหตุผลที่ว่ามันสมควรอะไรเลยเนี่ยนะอยู่ๆแล้วก็อะไรนะเปิดเครื่องเสียงแล้วเครื่องเสียงไปอยู่ใกล้ๆตัวไหมแล้วเครื่องเสียงมันชดตายอย่างเงี้ยนะเอออย่างว่าถ้ากรรมมันจะให้ผลเนี่ยนะทุกแห่งเนี่ยถ้าหากว่าอากุศลมันให้ผลแต่ถ้าหากว่ากุศลให้ผลมันหน้าตายยังไงก็ไม่ตายเนี่ย น, นะรอดมาได้ยังไงเรียกว่าปาฏิหาร เรีว่าเครื่องบินตกทั้งลำเนี่ยรอดเด็กอยู่คนเดียวเนี่ยเออไม่ตายทั้งที่มันหน้าบทจริงๆแล้วทั้งบอบทั้งบางกับเพื่อนหมดหน้าตายเลยแต่เด็กคนนี้กลับไม่ตายคนอื่นตายหมดอย่างเงี้ยนะทั้งลำเนี่ยตายหมดเหลือคนเดียวอย่างเงี้ยเะฉั้นอ่าพวกนี้มันก็แล้วแต่กรรมแต่ขณะเดียวกำเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวนะนะ นิยามในโลกนี้มีหลายอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะกรรมนิยามอย่างสุขภาพไม่ดีบางทีเนี่ยเราโทษกรรมโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องมาศึกษาเรื่องประโยคะเรื่องอะไรก็เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้นิทว่าเรื่องกรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันว่ากุศลต้องให้ผลเป็นสุขอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์ ส่วนอุตุนิยามอุตุนิยามเช่นการเวลาทั้งหลายเนี่ยนะการเวลาเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าในฤดูกาลทั้งหลายเนี่ยนะการเก็บดอกไม้ผลไม้เป็นต้นหรือการตัดครั้งเดียวเท่านั้นลมพัดลมไม่พัดแดดกล้าแดดอ่อนฝนตกฝนไม่ตกดอกบวกัวกลางวานันแยม้มกลางคืนหบเป็นต้นพวกนี้ก็เรียกว่าอุตุนิยามที่ภาษาสมัยใหม่ท่านเราใช้คําว่าธรรมชาติ มันเป็นเรื่องธรรมชาติว่างั้นเถอะนี่ห น, น้าหนาวมันก็หนาวหน้าร้อนมันก็ร้อนนะกลางคืนมันก็มืดกลางวันมันก็สว่างพวกนี้นเป็นเรื่องอุตุเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่า อ, อุตุนิยมที่เราภาษาไทยเราใช้คําว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาของพวกเราทั้งหลายบางทีก็หมายถึงอุตุนิยามนะนะธรรมดาเนี่ยนะห น, น้าหนาวมันก็มืดเร็วเนี่ยนะห น, น้าหน้าฝนมันก็มืดช้าอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนั้น ธรรมดาว่ากลางวันมันก็ร้อนถ้าแดดจ้ากลางคืนมันก็นาวเย็นถ้าหากว่าหน้าหนาวมันพวกนี้ก็เรียกว่าธรรมดาเรียกว่าอุตุนิยามอุตุนิยามนี่รกธรรมดาของอุตุฤดูกาลเนี่ยนะอย่างที่สามพีชนิยามธรรมดาของพืชเช่นว่าผลผลิตอ่ะนะหมายว่า ผลผลิตคือเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยต้องมาจากไหนก็มาจากพืชข้าวสาลีมเพราะเอาเมล็ดข้าวสาลีไปปลูกมันก็ต้องออกมาเป็นข้าวสาลีมันจะไปเป็นอันะแม้เพราะเมล็ดข้าวสาลีแล้วออกผลมาเป็นทองคำเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยตรงตัวมันเพราะเมล็ดพันธุ์เช่นใดมันก็ให้ผลเช่นนั้นเมล็ดเนี่ยนะเป็นเหตุให้มีผลมันถ้าเพราะเมล็ดสดามันก็ให้ผลมาเป็นสดาเพราะเมล็ดมะม่วงมันก็ให้ผลเป็นมะม่วง หรือรสหวานก็มาจากน้ําหวานรสขมก็มาหยับพืชที่ขมอนนอย่างเช่นสะเดาทําไมมันขมอ้อยทําไมจึงหวานต้นไม้บางต้นทำไมมีหนามต้นไม้บางต้นทําไมไม่มีหนามต้นไม้บางต้นทําไมมันคันบางต้นทําไมไม่คันนนบางต้นทําไมใบดกอนนบางต้นทําไมมันเป็นพืชล้มลุกทําไมบางต้นเป็นเป็นพืชยืนต้นเป็นต้นพวกนี้เป็นลักษณะของผีชนนิยามเนี่ยนะเป็นธรรมดาของพืชเนี่ยนะ เป็นเรื่องธรรมดาของพืชพันธ์ทั้งหลายส่วนธรรมดาของจิตหรือที่เรียกว่าจิตนิตานิยามก็คือจิตเจตสิกดวงก่อนๆเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกดวงหลังๆนะเช่นอะไรจากครูวิญญาณเนี่ยนะจากครูวิญญาณเกิดขึ้นสัมปติชนะก็พอจากครูวิญญาณดับก็ต่อด้วย สัมปติชนะถ้าสัมปชิทธนะดับไปสันติรณะก็เกิดถ้าสันติรณะดับไปโวทัพนะก็เกิดถ้าโวทัพณะดับไปชวนะดวงที่หนึ่งสองสาสี่เป็นต้นก็เกิดถ้าสิ้นชวนะบางอย่างก็ต่อด้วยตะทาลัมนะบางอย่างก็ต่อด้วยผวังไปเลยเนี่ยนะก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาวิถีจิตทั้งหลายที่สืบเนื่องอันนี้เป็นธรรมดาของจิตทั้งหลายเนี่ยนะเป็นจิตอนิยามจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยแก่ดวงหลังความคิดครั้งก่อนเป็นปัจจัยแก่ความคิดครั้ง หลังๆเนี่ยนะทั้งโดยอุปนิสยาปัจจัยอย่างเช่นที่เรียกว่าจิตตนิยามเนี่ยถ้าสะสมความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วความคิดหลังๆมาจะเป็นความคิดที่ดีได้ไหมบอกว่ายากอ่างนั้นเะเว้นไว้แต่ไปได้ปัจจัยตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาความคิดที่ดีๆจึงจะเกิดขึ้นมันก็เพราะมาเมล็ดพันธ์ความคิดนะความคิดดวงครั้งก่อนๆเป็นปัจจัยแกความคิดครั้งหลังๆมันความคิด อย่างที่เรากาลังคิดอยู่นี้กาลังรวมรั้งเห็นทั้งได้ยินความรู้สึกนึกคิดองรวมขณะนี้ถือเป็นผลผลิตของความคิดครั้งก่อนๆอะนะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปลายน้ำความคิดครั้งก่อนๆเป็นเหมือนกับต้นน้าขณะเดียวกันความคิดทุกอย่างที่เราคิดขณะนี้และก่อนๆก็เป็นปัจจัยแก่ความคิดครั้งหลังๆต่อๆไปถัดๆไปมันก็แล้วแต่เร า, ถ, า, เราถ้าเราเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์ความคิดที่เลว สร้างสมอัธยาศัยที่ไม่ดีให้แก่ตัวเองแล้วเราจะเป็นผ้าอรหันได้ไหมไม่ได้อันถ้าเราเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์คือความไม่มีศรัทธาเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดคร้านลงในความคิดเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งความประมาทปราศจากสติเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งความฟุ้งซ่านเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งความงูเข่าก็แปลว่าวัฏะายาวแน่นอน แต่ถ้ า, พาเพาะเมล็ดพันธ์ศรัทธ า, พาเพาะเมล็ดพันธ์วิริยะสติสมาธิและปัญญ า, พาเพาะเมล็ดพันธ์แห่งอริยมรรคทั้งหลายให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยนะฮัลนเมล็ดพันธ์แห่งบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้<ม>ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจทั้งหลายเพราะอะไรเพราะสั่งสมอัธยาสัยที่ดีสั่งสมอัธยาสัยที่เป็นบุญสั่งสมอัธยาสัยที่ไม่ มีโทษพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาขอ ง, ของจิตตนิยามนะเป็นเรื่องธรรมดาว่าใครสั่งสมบุญสั่งสมอัธยาศัยที่ดีก็แนวโน้มจะเป็นปัจจัยจะได้รับผลที่ดีๆต่อไปถ้าสะสมอัธยาศัยที่ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยนะอันนี้จิตตนิยามกับกรรมนิยามนี่คนละตัวนะจิตตนิยามเนี่ยเป็นลักษณะของจิตเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยของจิตแต่ถ้าหากว่าในส่วนของ กรรมก็คือกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลให้ผลเป็นทุกข์เป็นตนนั่นเองอันนั้นเป็นลักษณะของจิตตนิยามส่วนธรรมนิยามเนี่ยนะธรรมนิยามก็คือความวันไวในหมื่นโลกธาตุในขณะที่พระองค์เสด็จลงสู่คัรพระมารดาของพระพุทธศัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมนิยามเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มีบุญว่า ขณะที่จุติปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาคือจุติจากรูฤาษีปฏิสนธิในพระคันพุทธมารดาแผ่นดินไหวอันนี้ธรรมดาหมื่นโลกธ า, าตุหวั่นไหวแสงสว่าง น, นะแสงสว่างอันโอฬานเกิดขึ้นธรรมดาตอนที่พระองค์ประสูตรหรือคลอดจากครันพระพุทธมารดาหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวก็เป็นธรรมดาประกาศพระธรรมจักจบลงแผ่นดินไหวก็เป็นธรรมดาหรือขอไปตอนตรัสรู้ตอนตรัสรู้เนี่ยนะ แผ่นดินไหวก็แสงสว่างอันโอฬานเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนที่ปลงมาายุสังขารตอนที่ปลงมาายุสังขารแผ่นดินหวั่นไหวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตลอดที่พระองค์ดับขันทปรินิพานแผ่นดินหวั่นไหวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยามธรรมดาของผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะนั้นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพ่สูจทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา ทวนอีกครั้งอะเรื่องธรรมดาที่กล่าวไปแล้วธรรมดาอะไรธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะจุติจากดุสิตถือปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าท่านมีสติสัมปชัญญะแน่นอนท่านไม่เบลอแหมมาได้ยังไงเนี่ยมาอย่างไงเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยแหมเสียใจแย่เลยนะบางคนเนี่ยเสียใจนะที่ได้มาเกิดโอ้ไม่น่าเลยมาได้ยังไงนะี่ยนะ มันก็เหมือนกับอะไรคนที่ไปเที่ยวใช่ไหมเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมาตกที่อับตกที่นั่งลําบากบอกมายังไงเนี่ยไม่น่ามาเลยเนี่ยนะมาได้ยังไงเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นแหละก็เลยเดือดร้อนละ่ะนีข้อต่อไปข้อสิบสามพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ธรรมดามีอยู่ดังนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ต่อไปว่าเมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จสู่พระคันของพระมารดาเมื่อนั้นแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณปรากฏในโลกแสงสว่างนั้นน่ะล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายโดยที่สุดแม้กระทั่งช่องว่างซึ่งอยู่ที่สุดในโลกไม่ได้ถูกอะไรปกปิดเอาไว้ที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากปานิส แสงเหล่านี้ก็ยังส่องไปไม่ถึงก็ดีสถานที่ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นที่มันมืดมิดไม่มีอะไรปกปิดก็คือโลกาตันรกนะนะที่บอกว่าที่สุดในโลกอะ่ะที่สุดแห่งโลกหมายถึงโล ก, กนตะโลกะบวกอันตะอันตะแปลว่าที่สุดเนี่ยนะ โลกก็คือที่สุดแห่งโลกอะนะหมายความที่สุดในโลกก็คือที่สุดโลกหมายถึงโลกันตนรกขนาดในโลกกัณนฑนรกปกติมืดมิดแสงจันทแสงอาทิตย์ก็ส่องไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จํากันและกันได้ด้วยแสงนั้นว่ า, ท, าท่านผู้เจริญได้ยินว่าสัตว์พวกอื่นที่เกิดในที่นี้ก็มีอยู่เหมือนกันที่แรกนีกว่าอยู่คนเดียวที่ไหนได้มีเพื่อนเยอะแยะเลยเหมือนกัน น, นโลกาตันนรกเนี่ยอย่าคิดว่าไปอยู่คนเดียวเงาเง้ยนะไม่โอ้ยพวกมากพวกมายเลยนะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเพราะมันมดืดมิดไปหมดเลยนะคิดง่ายๆพวกนี้ก็เหมือนว่าถ้ำข้างเข่าลึกๆเนี่ยนะลึกลงไปเป็นกิโลกิโลเนี่ยที่ข้างเข่าเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยเนี่ยมันมดืมดมิดจริงๆเลยนะใครที่เคยเข้าไปในถ้ำข้างเข่าเนี่ยจะรู้ดีว่า ม, มันมืดมิดแต่ว่ามันไม่ได้เศษเสี้ยวของโลกาตันนรกอะไรหรอกเนี่ยนะอันนั้นหนักสาหัสมากมันลล ขณะที่พระองค์เนี่ยสเสด็จลงสู่เอ่อเคลื่อนจากดุสิทตถือปฏิสนธิในครันของพระพุทธมารดานั้นแสงสว่างอันโอฬาก็เกิดขึ้นทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็ย่อมวันไวสะเทือนสะทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกแต่ก็แสงสว่างอันนั้นตั้งอยู่นานไหมไม่นานแวบเดียวดุดสายฟ้าแลบแต่แสงสว่างอันนั้นล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา นะขณะที่เสด็จลงสู่ครันพุทธมารดานะเกิดแสงสว่างขึ้นหมื่นโล ก, กธาตุวันไหวเนี่ยธรรมดานะธรรมดาขนาดนี้แหละไม่น่านะต้องให้พรามมาทํานายฝันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตอนที่ลงสู่คันเนี่ยนะพระมารดาพระโพธิสัตว์ก็ฝันฝันที่เรียกว่าเหมือนกระช้างแหวกเข้าไปอยู่ในท้องเลยนะด้วยแล้วก็แผ่นดินก็ ว, นวันไหวเป็นต้นด้วยเนี่ยไม่น่านะจึงต้องให้พราหมมา ทำนายฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนอนะซึ่งพราหมณ์ทั้งหลายก็บอกว่าท่านผู้นี้นะเป็นเป็นพระโอรสนะก็คือเป็นความฝันของคนมีคันจะได้บุตรเป็นบุตรชายที่เรียกว่าเป็นพระราชโอรสแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนะีเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดาเหมืนกันหลังจากที่อยู่ในคันแล้วเป็นเอ่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ ขณะที่เสด็จอยู่ในคันเนี่ยนะที่บอกว่าแสงสว่างอันเกิดขึ้นแสงสว่างอันนั้นล่วงเทวานุภาพล่วงอนุภาพของเทวดาปกติเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขามีแสงสว่างซ่านออกจากสรีระร่างกายเทวดาบางองค์เนี่ยแสงสว่างพุ่งออกจากตัวประมาณสิบสิบสองโยชนะ์ด้วยอนุภาพของเครื่องประดับด้วยอนุภาพของอผิวพันธุ์ร่างกายด้วยเครื่องประดับด้วยที่อยู่อาศัยด้วยก็แสงพุ่งออกมานี่ยนะ แสงพุ่งออกมาก็เหมือนกับดวงไฟที่มีพลังแห่งแองสว่างเนี่ยมากเอ่อเล่าถึงโลกาตนรกนิดหน่อยบอกว่าความกว้างของโลกาตณนรกนั้นประมาณ 8,000 ันโย์ปกติแล้ ว, วจกักขูวิญญาณไม่เกิดเลยเพราะไม่เคยเห็นเพราะไม่มีแสงสว่างะนะคือจกักขูวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปัจจัย4ประการ1จักสุสองรูปสามแสงสว่างสี่มนสิการเนี่ยนะจักขูวิญญาณจึงจะเกิดได้ แต่นี้เมื่อไม่มีแสงสว่างจากขูเวิญญาณก็ถูกตัดด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเกิดแสงสว่างขึ้นจึงพอมองเห็นกันบอกว่าที่โลกาตันรกนั้นถึงว่าเป็นสถานที่มืดมิดขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สว่างมากเท่ากับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างสองสว่างไม่ถึงอ่ะนะ ท่านบอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหล่านั้นเนี่ยนะไปในท่ามกลางจั ก, กรวาลบรรพตก็โลกันตันรกนั้นเลยจั ก, กรวาลบรนพศไปเพราะฉะนั้นพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นจึงไม่มีแสงสว่างเขาเรียกว่าแสงสว่างมีไม่พอที่จะส่องเห็นได้